พิสุนีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายโดยไยะว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอาชีวะคามนิคมอย่างนี้ควรเสพอย่างนี้ไม่ควรเสพเราสการะเคารพอาศัยธรรมที่เราได้ตัสรู้นั่นเองเป็นอยู่และเมื่อใดสงประกอบด้วยความเติบใหญ่เมื่อนั้น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 ถ้าขณะเมื่อสวดแสดงอยู่ปรากฏพิสุมีอาบัตคือมีโทษที่ล่วงละเมิดอาตมภาพทั้งหลายจะปรับโทษให้เธอปฏิบัติตามธรรมตามคําอนุสาสตการที่เป็นดังนี้จะชื่อว่าพวกพิสุผู้เจริญทําการปรับโทษก็หาม่ได้ทำต่างหากปรับโทษและพิสุที่เป็นหลักก็มีอยู่ตามคําอธิบายของท่านว่า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 ไปร่วมประชุมอุโบสถสังฆกรรมตรวจสอบทบทวนการประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยแม้ว่าท่านเป็นพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์อยู่แล้วและพระมหากษัะอยู่ห่างที่ประชุมสงฆ์ทำอุโบสถประมาณสี่กิโลเมตรเมื่อถึงวันอุโบสถแม้จะเดินทางลำบากต้องลุยข้ามแม่น้ำสายหนึ่งระหว่างทางท่านก็เดินเท้าไปเข้าร่วมประชุมพระพิษุอรหันต์หรืออนาคามี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 เมื่อมีเรื่องราวเหตุการสาคัญเกี่ยวกับประโยชน์สุขของสงส่วนรวมหรือกระทบถึงความเสื่อมความเจริญของพระศาสนาภิกษุทั้งหลายโดยเฉพาะพระอรหันต์จะต้องใส่ใจนขนวาวจัดทำดาเนินการเช่นการจัดทาสังายาําระสงให้บริสุทธิ์การป้องกันทำจากความคลาดเคลื่อนหรือจากบุคคลและลัทธิที่จับจ้วงกล่าวร้าย